การทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่กำหนดอะไรเลยเราจะไม่รู้อะไรเลยค่อยๆรู้ไปจิตนี้มันละเอียดอ่อนมากจิตมันไม่อยู่กับที่จะให้มันดิ่งไปสักห้านาทีก็เป็นไปได้ยากก็อย่าเข้าใจผิดคิดว่าไม่ได้ผลที่จริงได้ผลเป็นการสะสมทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราก็กำหนดจุดตั้งสติไว้ตรงนี้สำคัญมากต้องให้ละเอียด แล้วเราจะรู้จริงว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไหมจะดับไปตรงไหนเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอให้ช้าๆหน่อยถ้าสติดีสมาธิดีจะรู้เลยว่าจิตที่กาหนดนี้มันดับตรงไหนซ้ายย่างหนอดับตรงไหนขวาย่างหนอจิตมันจะดับไหมดับอย่างไร เกิดเกิดดับๆับไวมากทำให้เราไม่รู้ถ้าเราละเอียดก็จะรู้และจับจิตได้บางทีสมาธิดีมันจะวูบแต่จับไม่ได้ว่ามันวูบตอนพองหรือตอนยุบถ้าคนไหนเกิดขึ้นอย่างนี้ให้กำหนดรู้หนอรู้หนอพอรู้สติดีเข้าขั้นแล้วจะจับได้เลยว่าวูบตอนไหน และพองหนอยุบหนอมีกี่ระยะมีขั้นตอนไหมเป็นระยะเดียวหรือกี่ระยะถ้าละเอียดอ่อนสมาธิดีก็จะจับได้ว่ามีกี่ระยะถ้าเราฝึกยังหยาบอยู่ก็จะจับไม่ได้ว่าจะได้ระยะตรงไหนวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าออกพองหนอยุบหนอต้องให้ได้จังหวะในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวๆสักสามถึงสี่ครั้งแล้วเราค่อยกำหนดพองหนอยุบนอให้ยาวๆถ้าเราทำได้มันจะคล่องไปหมดจะทำอะไรก็คล่องว่องไวขึ้นการกำหนดอิริยาบถต่างๆและกำหนดรู้สิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นถ้าเรากำหนดได้จะช่วยตัวเองได้มากไม่ต้องไปพึ่งใคร และเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้การปฏิบัติธรรมให้ธรรมติดต่อกันท่านจะเห็นทุกข์ในตัวเองทุกกายทุกใจกายไม่มีสุขจิตก็ไม่มีสุขความชราเข้ามาแล้วเราก็จะหมดสภาพไปในที่สุดทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเหลือขอให้ท่านทำด้วยความตั้งใจ จะทำอะไรก็ขอให้ทำด้วยความตั้งใจอย่าท้อถอยการปฏิบัติธรรมของเราก็จะได้มารกได้ผลในตอนแรกๆ ก, ก็จะคิดว่าไม่ได้ผลเพราะมันปวดเมื่อยจิตใจก็ไม่เป็นสุขมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านก็ต้องสู้กำหนดเวทนาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่าปล่อยมันเลยผ่านไปเราจะบังคับให้จิตอยู่กับที่นั้นเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อจิตมันออกไปเราต้องเอาสติตามไปให้ได้สติตามก็คือกำหนดรู้หนอที่ลิ้นปีมันจะปวดแค่ไหนก็ให้กำหนดปวดไปแค่นั้นเราจะปวดมากแค่ไหนวันข้างหน้ามันจะปวดมากกว่านั้นเมื่อถึงคราวจะต้องเจ็บใขยได้ป่วยขนาดไหนเราก็จะสามารถอดทนได้สำคัญที่พองหนอยุบหนอ บางคนไม่พองหายใจ ย, วยาวๆให้ท้องพองให้ได้วิธีฝึกให้เคยชินให้นอนหงายลงเอามือประสานบนท้องแล้วภาวนาพองหนอยุบหนอนานๆนนเข้าก็จะเคยชินไปเองพอได้แล้วก็จะกล่อง บอกให้กำหนดที่ลิ้นปีอาตมาได้ประสบการณ์จากตอนคอหักตอนนั้นจะมีความรู้สึกที่ตรงลิ้นปีส่วนอื่นๆของร่างกายไม่มีความรู้สึกเลยและลมหายใจที่จมูกไม่มีเหมือนถูกฟันคอขาดไปแล้วเพราะกระดูกข้อที่สามมันหลุดคอก็พับไปแต่หนังมันดึงไว้เส้นประสาทมันไม่ติดต่อ หัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสมองไม่ได้อาตมารู้สึกถึงความทรมานที่สุดอาตมาจึงหายใจทางสะดือได้สะดือมีความสําคัญกับการพองหนอยุบหนอมากสติจะรู้ที่ลิ้นปีจะรู้ทุกกระยะัตาลืมขึ้นมามองเห็นเป็นหมอกเต็มไปหมดหูก็ได้ยินแววๆคนพูดอยู่ใกล้ๆเหมือนพูดอยู่ไกลๆแสดงว่าสังขารตายแล้ว เหตุใดอาตมาจึงหายใจทางสะดือได้บอกไปอย่างนี้ใครเขาจะเชื่อถ้าไม่มีประสบการณ์เองเหมือนในแพทย์ที่สิงห์บุรีรู้ว่าอาตมาหายใจทางสะดือเพราะเลือดเต็มจมูกเต็มคอหายใจคล่องคือพองหนอยุบหนอตลอดอาตมาก็ไม่รู้หายใจทางสะดือรู้สึกตัวที่ตรงลิ้นปี เพราะฉะนั้นคนที่จะตายนั้นพองหนอยุบหนอยังอยู่สติจะควบคุมจิตอยู่ที่ลิ้นปีนี้แน่บางคนบอกว่าตายตั้งแต่หัวหรือตายลงตายขึ้นนั้นไม่จริงและลมหายใจที่จมูกไม่มีกลับไปที่สะดือแต่หัวใจยังไม่หยุดเต้นมันยังสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้แต่ไม่ไปเลี้ยงสมอง เพราะคอหักพับไปแล้วโลหิตจึงไปข้างล่างแล้วไปดันที่สะดือสะดือจึงหายใจได้เพราะฉะนั้นพองหนอยุบหนอนั้นแน่นอนที่สุดอาตมาก็สำนึกสมัญญาได้ว่าเล้นปีกสำคัญมากตาก็มองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าปวดอาตมามีความรู้สึกเมื่อตอนรถเข็นคนไข้ตกล่องประตูทางเข้า รู้สึกแล้วก็ปวดก้นเลยส่วนหัวนั้นเมื่อตอนที่คอหักพับเลือดไม่ไปเลี้ยงจะมีสีดำทั้งหัวพอเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงแล้วกลับขาวจึงขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติพองหนอยุบหนอให้เคยพอนอนหลับก็จะพองหนอยุบหนอเองมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ฝันร้ายถ้าฝันก็จะเป็นเรื่องจริง ลิ้นปีนี้สำคัญมากถ้าเรากโกรธอย่าลืมตรงนี้และคนเรานี้กลิ่นตัวไม่เหมือนกันลมหายใจไม่เหมือนกันอารมณ์เหมือนกันไม่ได้เพราะว่ากิเลสไม่เท่ากันทิฏฐิสามัญญาตาไม่เหมือนกันทุกคนหายใจสั้นยาวไม่เหมือนกันคนมีโทสะจะหายใจสั้นและกระตุกด้วยกลิ่นตัวก็เหม็น และพอเรามาทำกรรมฐานหายใจยาวๆกลิ่นตัวจะเปลี่ยนไม่ใช่กลิ่นเงือซึ่งกลิ่นเงือก็มีเหมือนกันทุกคนคนที่เกินเจกินแต่ผักกลิ่นตัวจะไม่เหม็นคนที่กินของข่าวกลิ่นตัวจะเป็นอีกอย่างหนึง่งคนที่โมโหร้ายถ้าไม่นั่งกรรมฐานเลยจะไปกินเลือดกินเนื้อเป็นโจนปรปล้นฆ่าคนอื่น เหมือนตัวอย่างโจรที่หนีไปอยู่กลางป่าที่สุพรรณบุรีตอนนั้นอาตมาเพิ่งบวชใหม่ๆได้ไปที่บ้านเสือเข้าเป็นบ้านใหญ่โตภรยาเขาก็เอาเข้าวไปส่งแต่ไปส่งไม่ได้เพราะตำรวจล้อมไว้อยู่เป็นเดือนคนคนนี้ใครมองหน้าไม่ได้ต้องฆ่าทันทีและโจรคนนี้ก็อยู่ในป่า ซึ่งมีแต่ผักหญ้าต่างๆพอมืดก็จะออกมาเก็บผักบุ้มไปกินข้าวก็ไม่มีกินกินแต่ผักก็อยู่ได้เป็นเดือนเขาก็เล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อก่อนนี้เขาใจดาอมหิตมากตอนที่อยู่ในป่าเขาก็ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่มีธรรมะฆ่าคนตายเป็นจำนวนมากพ่อไปอยู่ในป่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยกินแต่ผัก ขุดมันนกกินทุกวันกินผักบุ้มเป็นกำกำตาที่เคยมองไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นต้อก็กลับมองเห็นได้ดีและทําให้อารมณ์ดีได้ความที่เป็นคนใจดําอมหิทโหดร้ายก็หายไปเสือคนนี้คือลูกน้องเสือฝ้ายสุพรรณบุรีอาตมาไปบ้านเขามาตอนนั้นคดีเขาก็หมดแล้วจึงเล่าให้ฟัง พอต่อมาเขาได้บวชเป็นสมภารเจ้าวัดขณะนี้ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองให้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์ที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาดูตัวเองเพื่อพัฒนากายพัฒนาจิตตั้งสติอารมณ์การปฏิบัติต้องผ่านความยากลำบากเพื่อที่จะได้รู้ทุกของเราเป็นเช่นนี้แหละหนอ คนอื่นที่มีทุกข์เหมือนกับเราคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานจะไม่เห็นว่าทุกข์เป็นอย่างไรผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเรียนแต่วิชาการเรียนแต่ธรรมะอย่างเดียวจะไม่รู้จริงความรู้จริงก็คือความรู้จากการเจริญกรรมฐานเมื่อรู้จริงแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้เรามานั่งก็เป็นทุกข์ปวดเมื่อยทั่วสารพางกาย เราแก้อย่างไรก็โดยกำหนดทุกหนอปวดหนอแล้วตั้งสติอารมณ์ไว้เราจะได้รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเข้าไปถึงจิตใจเราอย่างไรเราแก้ทุกตรงนี้ได้แล้วเราจะรู้ทุกของคนอื่นถ้าจิตไม่สงบพลุ่งพร่านก็จะไม่เกิดปัญญาสาเหตุที่จิตไม่สงบมีแปดประการหนึ่งมีไม่พอ ดิ้นรนตะเกียกตะกาย 2. เวลาว่างมากเกินไปคิดแต่เรื่องเหลวไหลอย่าอยู่ว่างต้องให้จิตมีงานคือจเจริญกรรมฐานจะได้รับผิดชอบหน้าที่การงานที่มีอยู่ 3. ถูกเบียดเบียนจิตใจ 4. อวัยวะตั้งอยู่ในความไม่ปกติถ้าทั้งสีไม่สมดุล 5. โรคภัยเบียดเบียน 6. สิ่งแวดล้อมดึงไปในทางชั่วเจ็ดครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะวิวาดกันอยู่เสมอ 8. มัวเมาอบายามุกนัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นการทำความสงบความสงบเป็นความสุขที่เราวุ่นวายฟุ้งซ่านเป็นความทุกข์ ทุกกายทุกใจถ้าจิตสงบลงเมื่อไรากายก็เป็นสุขจิตก็เป็นสุขโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปด้วยอย่างน่าอัศจรรย์เหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจ็ประการหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองไม่กำหนดรู้อารมณ์สจิตวิตตกกังวลสมีโรคประจำตัว 5. ราคะเกิดหโทสะเกิดเจ็ดอารมณ์มากระทบอย่างแรง จะทำสมาธิไม่ได้เลยถ้าจิตไม่สงบคนเราเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้แต่เลือกสร้างความดีได้เรามาสร้างความดีโดยการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานมาดูตัวเราเองเพื่อที่จะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเกิดปัญญาเอาไปใช้บริหารงานของเราตามหน้าที่และความรับผิดชอบ การงานก็จะเจริญรุ่งเรืองวิชาทางโลกมีมากมายเรียนไม่รู้จักจบวิชาทางธรรมเรียนแล้วทำเลยปฏิบัติเลยจนชำนาญวิชาทางโลกนั้นเราเรียนแล้วก็ช่วยเราให้เป็นสุขไม่ได้แล้วก็เรียนไม่จบเสียด้วยวิชาทางธรรมเรียนแล้วปฏิบัติทำให้ชัดเจนจะพบประสบสุขแล้วชีวิตเราก็จะมีแก่นสารถ้าอาตมาไม่ได้เจริญกรรมฐานมาตั้งแต่บทใหม่ คงคอหักตายหรือแขนหักเป็นคนพิการหรือฟ้าผ่าตายไปแล้วธรรมชาติลงโทษที่อาตมาได้สาบานกับยายไว้เพราะเสียสัจจะแต่อาตมามีความดีจึงแก้ร้ายกลายเป็นดีได้เวลาปฏิบัติปวดแทบตายน้ำตาไหลก็ต้องทนให้ได้แต่พอเรารู้จริงแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเลยสามารถแก้ปัญหาได้ คนรู้ไม่จริงแก้ปัญหาไม่ได้ซ้ำร้ายสร้างปัญหาให้กับตัวเองถ้าเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้านของเราจะเป็นบ้านแสนสุขบางครั้งคนเราจิตพลุ่งพงร้านุ้งซ่านเพ้อฝันถึงเรื่องต่างๆที่เราอยากได้มันก็คุ้มครั่งไปตามสภาพของจิตการที่จะทำให้จิตนิ่งและมีสมาธินั้นยาก ต้องตั้งใจฝึกปฏิบัติจึงจะได้ผลอาตมาเคยพูดเสมอว่าเราจะมีสติอยู่สักหนาทีก็แสนจะยากยากเพราะจิตอยู่กับที่ไม่ได้มันฟุ้งซ่านมาทําให้จิตอยู่กับที่เรื่องเก่าก็มาปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิเรื่องโน้นเรื่อง น, อ น, องนี้ที่เราเคยลืมไว้ในอดีตมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราคิดถึง ถ้าเราทำงานเพลินๆที่เราชอบเรื่องพวกนี้ก็จะไม่โผล่มาให้เราคิดแต่ถ้าเราสำรวมจิตสำรวมกายให้มันอยู่กับที่พอมีสติบ้างพอมีสมาธิบ้างเรื่องเก่าปรากฏออกมาเลยอย่าเข้าใจผิดคิดว่าทำสมาธิไม่ได้ผลแต่แท้ที่จริงแล้วมันได้ผลเมื่อปรากฏขึ้นแล้วให้เรากาหนดคิดหนา พอทำนานเข้าสติเราครบสมาธิตั้งมัน่นความคิดจะปรากฏชัดว่าเรื่องในครั้งอดีตมาแล้วนั้นไม่ควรจะคิดคำว่าไม่ควรคิดจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่เราไปนึกว่าอย่าไปคิดมันนะบางทีเราไปฟังวิทยากรว่าอย่าไปคิดเรื่องเก่าเอาแต่ปัจจุบันมันก็ถูกแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วไม่ให้คิดไม่ได้ โดยธรรมชาติจะต้องคิดตลอดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรามาเจริญกรรมฐานเมื่อสติดีสมาธิดีแล้วเรื่องเก่ามันจะปรากฏออกมาพอเรากำหนดคิดหนอคิดหนอรู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปีเรื่องที่ปรากฏออกมาก็จะหายไปแล้วเรื่องอื่นก็จะปรากฏออกมาอีกจิตจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกท่านกำหนดอย่าปล่อยให้เรื่องผ่านไปเฉยๆถ้าเราปล่อยผ่านไปโดยไม่กำหนดมันก็จะปรากฏขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่องที่เป็นกุศลเป็นอกุศลปัญญาจะบอกเราเองว่ามนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้ให้นึกเอาแต่ปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังอยู่อีกไกลเราจะทำงานให้เป็นตามที่เราคิดได้หรือไม่ได้ ตัวปัญญาจะช่วยบอกเราเองปัญญาซึ่งเป็นตัวรู้จะฝังอยู่ในจิตใจเราจะให้จำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันจะคัดออกไปซึ่งเรียกว่าแยกแยะคิดอย่างแยกแยะแยกแยะสิ่งที่ไม่ดีในใจหรือบาปในใจออกไปเวลาทำกรรมฐานนั้นครูสอบอารมณ์เขาจะไม่บอกล่วงหน้าว่านิยานอะไรเป็นอย่างไร เพียงแต่ถามอาการที่เกิดขึ้นพอบอกอาการจะรู้สภาวะธรรมที่เกิดครูอาจารย์เขารู้แล้วว่าเราได้ยานอะไรได้ถึงตรงไหนบางทีเรารู้สึกว่าทาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนั่นแหละที่จริงได้เรื่องแล้วแต่เราไม่รู้ว่าได้เรื่องถ้าเราทุกข์ปวดเมื่อยแสนสาหาัสเราต้องกำหนดไว้ให้ได้ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปจะได้แยกเวทนาออกไปจิตนั้นไม่มีตัวตนแม้เราสละร่างกายสังขารถึงแก่กรรมไปแล้วสังขารทั้งหลายก็ต้องเสือ่อมก็ต้องเน่าไปตามสภาวะแต่จิตเน่าไม่ได้จิตไม่ตายมันก็เดินทางต่อไปจิตนี้อายุเป็นหมื่นมืนปีเหมือนอย่างเราเมื่อชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรอยู่ที่ไหน จิตดวงนั้นแหละแต่มันมีกระแสร้1ยเอ็ดอารมณ์เราถึงได้รู้ถ้าหากว่าจิตดวงไหนมันหมุนเข้าไปพอเทปมันหมุนมาถึงแม้เราไม่ได้ทำสมาธิเราก็ระลึกชาติได้ว่าเราเคยไปที่ไหนเรามักจะฝันถึงเรื่องที่อยู่ในเทปอันนี้มันบอกในฝันความฝันนี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแต่ที่ฝัน มันเป็นจิตเล้วไหลอารมณ์ไม่ดีถ้าทั้งสีไม่สมดุลก็ฝันเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝันที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ฝันเรื่องจริงคือที่ออกมาจากเทปที่อัดไว้ในชาติก่อนๆถ้าปฏิบัติถึงขั้นแล้วเราจะรู้หลายๆอย่างอย่างที่เรามาปฏิบัติสองวันนี้จะรู้อย่างแรกก็คือเวทนา อย่างที่สองคือจิตหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามสภาวะมันจะไม่คงที่เช่นนั่งคราวนี้ได้อย่างนี้พอนั่งคราวใหม่ก็ได้อย่างใหม่อีกแล้วมันผันแปรถ้าจิตเราจับได้กําหนดได้มีสติครบแต่สภาวะธรรมจะเกิดขึ้นเราถึงจะจับได้ว่ามันผันแปรไม่แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาปวดมากให้อดทนกำหนดให้ได้อย่าไปเปลี่ยนเอิรียบทนั้นขอให้ทุกคนพยายามปฏิบัติให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากมันฝึกฝนเมื่อทำได้เราก็เก็บรวบรวมผลงานไว้จะได้ผลต่อไปในภายหน้าหากมีปัญหาเราก็จะแก้ไขได้ง่าย การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของการวิจารตัวเองวิเคราะห์ตัวเองสำรวจดูบาปอกุศลในตัวเองด้วยการเพ่งพินิจอันแน่วแน่ลึกซึง้งเป็นการค้นดูผงในดวงตาของตนหยุดการแสไปเที่ยวติดเตียนผงในดวงตาของผู้อื่นในขณะที่ไม้ทั้งท่อนปรากฏอยู่ในดวงตาของเรา คุณธรรมใดที่พึงบรรลุได้จากการปฏิบัติย่อมเป็นไปในทางเป็นค่าศึกต่อมาณ์คือความถือตัวทน o ตัวและจะยังผู้ปฏิบัติให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเสงี่ยมการผ่านการปฏิบัติไปแล้วในชั่วระยะเวลาอันสั้นระยะหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องหมายความว่าธุระในการค้นและเขี่ยผงในดวงตาของเราได้เสร็จสิ้นลง ด้วยดีทุกประการและก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติได้เขี่ยผมออกหมดแล้วผู้ปฏิบัติแต่และคนย่อมทราบได้เองว่าเขาได้เขี่ยผงออกจากดวงตาของเขาไปได้มากน้อยเพียงใดและเขาควรจะวางมือเสียจากการพยายามเขี่ยผงในดวงตาต่อไปหรือไม่ความระคายเคืองและความสบายตาของเขาจะเป็นผู้บอกกับเขาเอง ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าการเขี่ยผงในดวงตานั้นเป็นกิจที่ควรจะดำเนินสืบต่อการไปด้วยความเอาใจใส่และด้วยความไม่ประมาทจนตลอดชีวิตหากเรายังบอกตัวเองอย่างซื่อตรงได้ว่ายังมีผงติดอยู่ในดวงตาของเรา ในชีวิตที่ผ่านมาของอาตมามีทุกหลายเรื่องหลายอย่างผ่านประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุถึงได้รู้ว่าเวทนาเป็นอย่างนี้สามารถสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเวทนารู้จักเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่อาตมาประสบกับกรรมที่ต้องทนทุกทรมานสามเรื่องคือกรรมที่หนึ่งตกเหวที่แม่สอด รถที่อาตมานั่งตกลงไปในเหวไปค้างอยู่บนยอดอยางตกลงไปลึกมากกว่าจะตากระายขึ้นมาจากเหวต้องทนทุกทรมานอย่างที่สุดได้รู้จักเวทนาจากการตกเหวจึงได้พบกฎแห่งกรรมระลึกได้ถึงเหตุการณ์เมื่อตอนที่อาตมาเป็นเด็กตอนนั้นกำลังจะเข้ากรุงเทพอยู่มัธยมสาจะขึ้นมัธยมสอาตมาไปที่บ้านกล้วย ซึ่งขึ้นกับอำเภอท่าวุ้งมันมีตะลิงมีกอต้นพงมีคนเมาเดินผ่านมาอาตมาตอนนั้นไม่ชอบคนเมาเห็นคนเมาเดินเซไปเซมาอาตมาก็เลยถีบลงตะลิงไปเลยกว่าเขาจะขึ้นมาได้ก็คืนกับหนึ่งวันถีบเขาตกลงไปแล้วอาตมาก็เดินเลยไปมารู้ภายหลังว่าเมื่อตอนที่แกหายเมาแล้ว แกก็ไปคุยตามวัดว่ามีคนที่ไหนก็ไม่รู้ถีบแกขอให้มันได้รับเวรกรรมอย่างที่มันถีบเราตาคนนั้นอายุราวเจ็ดสิบปีเมื่อสมัยอาตมาเป็นเด็กไม่รู้ว่าเวรกรรมเป็นอย่างไรเลยแกล้งเขาและยังเคยคว้างหัวเขาอีกด้วยบางแห่งสอนให้ไปสวรรค์นิพพานสอนที่จะพ้นทุกข์กันไป ขอให้เอาแค่กฎแห่งกรรมนี้ก่อนให้เรารู้เวรกรรมจะได้ใช้หนี่กันไปเราจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาตอนที่อาตมาตกเหวที่แม่สอดกว่าจะขึ้นมาได้มีผ้าติดตัวเพียงผืนเดียวอย่างอื่นหายหมดพอขึ้นมาได้เขาก็หาว่าเราเป็นคนบ้าคนที่หาหน่อไม้แถวนั้นก็เอาก้อนหินคว้างเราหัวหูบวมหมด อาตมาก็บอกว่าเราเป็นพระเขาก็บอกว่าพระอะไรไม่ห่มผ้าหม่มผ่อนพอเขาคว้างเราเราก็วิ่งเป็นคนบ้าไปอันนี้ก็เป็นเวรกรรมที่ฝังใจเราจนกระทั่งบัดนี้จึงได้มาสอนเด็กว่าอย่าไปแกล้งใครเขาอย่าไปทำบาปทำกรรมอย่าเถียงพ่อเถียงแม่ก้าวร้าวต่อพ่อแม่ก้าวร้าวต่อผู้มีบุญคุณ กรรมจะเห็นทันตากรรมที่สองรดความสามครั้งนี่เพราะรับจ้างต้มเต่าทรมานที่สุดต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่นานถูกน้ำร้อนลวกไฟลวกเวรกรรมที่เราได้รู้จักกรรมฐานถ้าเราไม่ได้ทำกรรมฐานไม่ได้ทนต่อทุกขเวทนาแล้วจะทนต่อเวรกรรมไม่ได้เลยบางคนไม่เข้าใจเวทนาบอกว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราว นั่งแล้วปวดเมื่อยแล้วก็เลิกกันไปก็ไม่รู้จริงว่าที่ปวดนั้นคืออะไรเราจะไปต่อสู้เวรกรรมเราจะรู้ไหมว่าเวรกรรมจะตามมาถึงตัวเราในวันใดฟ้าผ่าลงมาที่อัตมาผ้าผ่อนไหม้หมดเลยต้องทนทุกข์รมาณอยู่ถึงหกเดือนหูก็ไม่ได้ยินต้องสื่อสารกันด้วยการเขียนหนังสือ กรรมที่สามคอหักทรมานปางตายพอคอติดกันแล้วจึงได้รู้ว่าก้นกับคอประสาทเป็นอันเดียวกันอย่าไปตีก้นลูกก็เรารู้จากประสบการณ์ของเราเองอาตมาต้องทนทุกทรมานมามากมายจึงได้รู้ว่ากรรมฐานช่วยเราได้มากอย่างเช่นทรมานแสนสาหัส ก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปถึงคราวตายยังช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้แล้วก็รู้ล่วงหน้าถึงหเดือนว่ารถจะชนคอจะหักรู้ด้วยสติที่เราได้สะสมจากการปฏิบัติกรรมฐานเอาไว้ในจิตจิตนี้มันไม่มีตัวตนแต่มันบันทึกทั้งความดีความชั่วของเราไว้ได้เหมือนเครื่องอัดเทพ ในคราวอัตมาคอหักมันปวดก้นทรมานที่สุดแต่อัตมามีสติครบสติที่เรารวมไว้มันจิกออกปาช่วยเราให้บรรเทาเรื่องเวทนาให้แยกออกไปแล้วเวทนานั้นก็หายไปเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดเวทนาที่เราจะเจ็บป่วยจะเป็นโรคอะไรโรคร้ายหรือดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ แก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ตายพลัดพลากจากกันแต่จะเจ็บแบบไหนแบบทรมานหรือเป็นแบบอมพาสมันไม่เหมือนกันถ้าเราทำดีเรามีกรรมฐานในใจแล้วเรากาหนดจิตอย่าให้อารมณ์เสียถ้าเราอารมณ์ดีเสมอจะไม่มีโรคร้ายถ้าจะตายก็สบายเราได้ประสบมาแล้ว ที่อาตมาต้องสลบลงไปที่พูดกันว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเราสองคนเพื่อนตายคือกรรมฐานกับสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนตายแน่นอนที่เรากำหนดนี่เป็นเพื่อนของเราแต่เราหารู้ไม่มันเป็นเพื่อนประจำตัวเราติดตัวเราตลอดเวลาจะลำบากอย่างไรก็สามารถจะช่วยเราได้